สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอธิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสิบหกเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ยี่สิบเอ็ดพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่เจ็ดนะครับผมจะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบฮีบรูบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า เมลคีเสเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดได้พบอับราฮัมขณะที่กําลังกลับมาจากการรบกับกษัตริย์ทั้งหลายนั้นและได้โวยพรแกอร่อับราฮัมอับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่งในสิบแห่งของทั้งปวงแก่เมลคีเสเดกเมลคีเสเดกนั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมตามความหมายของนามของท่านและเป็นกษัตริย์ แห่งสันติสุขตามความหมายของชื่อเมืองซาเลมบิดามารดาและตระกูลของท่านไม่มีกล่าวไว้วันเกิดวันตายก็เช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าเมลคีเสเดกนั่นแหละดำรงอยู่เป็นปุโรหิตชั่วกับชั่วกันจงคิดดูเถิดท่านผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงไรที่อับราฮัมผู้เป็นพ่อหมู่ของเรานั้น ยังได้ชักหนึ่งในสิบแห่งของริปนั้นมาถวายแก่ท่านและบรรดาเชื้อสายของเลวีซึ่งได้รับตำแหน่งปุโรหิตนั้นถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นสืบเชื้อสายจากอับราฮัมก็ยังมีพระบัญญัติสั่งให้รับทัสษางจากบรรดาประชาชนคือจากพวกพี่น้องของตนแต่เมคิวเสเดกผู้นี้ไม่ใช่เชื้อสายของพวกเขาแต่ก็ยังได้รับทัสษางจากอับราฮัม และได้อวยพรให้อับราฮัมผู้ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าสิ่งที่ค้านไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พอรอีกประการหนึ่งในกรณีของปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมนุษย์ที่ต้องตายเป็นผู้รับทศสงังแต่ในกรณีของเมลคีเสเดกผู้รับทศสังนั้นมีหลักฐานในพระคัมภีร์ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่ง ก็ว่าเลวีผู้ที่รับท่าสางนั้นก็ได้ถวายท่าสางแก่เมลคีเสเด็จต่างทางอับ ป, ประหัมเพราะว่าขณะนั้นเขายังอยู่ในสายเลือดของบรรพบรุษคืออับ ป, ประหัมขณะที่เมลคีเสเด็จได้พบกับอับ ป, ประหัมเพื่อนักขับพระกัมภีร์ตอนนี้เป็นข้อพิอมร์ที่ยาก เพราะเนื่องจากว่ามีความเห็นหลายอย่างครับต่ก่อนอื่นนั้นผมจะสรุปเนื้อหาของบทที่หกและบทที่เจ็ดเป็นภาพรวมให้พี่น้องได้เห็นนะครับบทที่หกนั้นเนื้อหาเป็นเสมือนวงเล็บของจดหมายฝากฉบับนี้ในขณะที่ผู้เขียนได้พัฒนาความคิดของผู้อ่าน ตั้งแต่บทที่หนึ่งเรื่อยมาจนถึงบทที่ห้าพอมาบทที่หกผู้เขียนก็บอกว่าคนอ่านนั้นจะต้องพัฒนาตัวเองจากเด็กทารกซึ่งต้องกินน้ำนมไปสู่ผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งต้องกินอาหารแข็งพอหลังจากบทที่หกแล้วท่านก็วกกลับมาถึงจุดที่ท่านเขียนค้างไว้ในบทที่ห้า ก็คือตําแหน่งปุโรหิตของพระคริสต์นั่นเองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในบทที่เจ็ดก็จึงเป็นการบรรยายถึงความเป็นปุโรหิตของพระเยซูซึ่งเป็นตามอย่างของเมลคีเซเดกเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับมาสู่ใจความที่สําคัญในพระธรรมฮีบรูซึ่งหลายหลาคนได้ถามผมว่าฮีบรูเกี่ยวข้องอะไรกับพระเยซู พระธรรมฮีบรูนี้เกี่ยวข้องอะไรกับพระเยซูผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเกี่ยวข้องกันอย่างเห็นได้ชัดและอย่างลึกซึ้งมากทีเดียวครับในบทต่อไปนี้นะครับก็คือบทที่เจ็ดเราจะเห็นว่าตําแหน่งปุโรหิตตามอย่างเมลคีเสเดกนั้นเหนือกว่าปุโรหิตในสายของอาโรนครับตําแหน่งปุโรหิตของอาโลนนั้นเป็นตําแหน่งที่สืบทอดต่อต่อกันมาซึ่งเป็นของโลกนี้เพราะฉะนั้น ปุโรหิตแต่ละคนก็ตายไปคนแล้วคนเล่าก็ตายไปแต่ตำแหน่งปุโรหิตของพระเยซูซึ่งเป็นตามอย่างของเมลคีเสเดกเป็นมาจากสวรรค์ครับจึงอยู่เป็นนิพนิรธ์เพราะฉะนั้นในบทที่เจ็ดนะครับใจความหลักก็คือพระเยซูนั้นทรงเป็นปุโรหิตของเราคําว่าปุโรหิตที่ผมกําลังนําเสนอนั้นมีความหมายว่าเป็นปุโรหิตใหญ่ที่สุดครับ เป็นปุโรหิตคนเดียวครับเป็นปุโรหิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเจาะ จ, จงสูงสุดครับเพราะฉะนั้นพระเยซูก็ยังอยู่เหนือกว่าและดีกว่าปุโรหิตของตระกูลเลวีทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นตระกูลเลวีที่สืบเชื้อสายมาทางอารอนนะครับเปรียบเทียบไม่ได้เลยครับกับมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราคือพระเยซูคริสต์และบทที่เจดนี้เต็มไปด้วยการยกหลักการและเหตุผลที่ซับซ้อนครับ พี่น้องครับตอนต้นๆผมจึงได้บอกว่าบทที่เจ็ดนี้ก็เป็นบทที่เข้าใจยากอย่างหนึ่งยังไงก็ตามครับกุญแจที่จะช่วยให้เข้าใจก็คือว่าความพยายามของผู้เขียนพระธรรมฮีบรูพยายามที่จะพิสูจน์ให้ผู้อ่านก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นให้เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นมหาปุโรหิตทรงอยู่เหนือกว่าปุโรหิตในพระพีเดิมที่สืบเชื้อสายมาจากอารอนทั้งสิ้นทั้งปวง น้องครับพอเราจับหลักของบทที่เจ็ดนี้ได้เราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นครับเอาแล้วครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มในบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามสิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปนี้ก็จะเป็นพระคัมภีในฉบับของฉบับแปลของจริงเกมภาษาไทยนะครับโปรดฟังพราะจะนัพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพาอเมลคีเสเดกนี้คือกษัตริย์เมืองสาเลม เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ได้พบอับราฮัมขณะที่กำลังกลับมาจากการฆ่าฟันกษัตริย์ทั้งหลายและได้อวยพรแก่อับราฮัมอับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่งในสิบจากของทั้งปวงแก่ท่านผู้นี้ตอนแรกท่านผู้นี้แปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมแล้วหลังจากนั้นก็แปลว่ากษัตริย์เมืองซาเลมซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุข ซึ่งดำรงไปด้วยความชอบธรรมบิดามารดาและตระกูลของท่านก็ไม่มีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของชีวิตก็ไม่มีแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าคือดำรงตําแหน่งบุรหิตอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับตําแหน่งบุรหิตตามอย่างของเมลคีเสเดกนี้ถูกพูดละเอียดครับเราคงจําได้เหตุการณ์ที่เมลคีเสเดกปรากฏตัวในบทคราปฐม ก, กาลบทที่สิบสี่นะครับปฐม ก, กาลบทที่สิบสี่ อยู่ในข้อที่18ถึงข้อที่20และปรากฏในสรุปดีบทที่110ข้อที่4นะครับเ้วเขียนนะครับว่าเหตุการณ์ที่ปฐมการบทที่14ได้บรรยายก็คือว่าอับราฮัมซึ่งเป็นพ่อหมู่ของคนชาติยิวหรือเป็นบรรพชนของชนชาติยิวเป็นบิดาของชาติยิวนะครับได้ถวายสิบลถครับถวายสิบชักหนึ่งหรือถวายชักสางแก่เมลคีเสดก พระเงาพีตอนนี้สื่อชัดเจนครับว่าเมลคีเสเดกนั้นอยู่เหนือกว่าอัปธรรมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่อยู่เหนือรับของถวายครับคนที่อยู่ใต้เป็นคนถวายพี่น้องครับคําว่าอยู่เหนือนั้นมีความหมายว่าอยู่เหนือกว่าอยู่สูงกว่านะครับมีบารมีมากกว่านะครับคําว่าอยู่ใต้ไม่ได้หมายความว่าอยู่ทางภาคใต้นะครับแต่อยู่ใต้อํานาจนะครับ ยกย่องคนที่รับท่าทางนั่นเองพี่น้องครับสิ่งที่อับรามทํานั้นสื่อว่าพระเยซูอยู่เหนือกว่าอับรามแต่เมื่อเราทบทวนเหตุการณ์ในสมมติการ์บทที่14นะครับและฮีบรูบทที่7นี้เราก็เห็นได้ชัดว่าเมลคีเสเด็จนั้นเป็นการปรากฏกายของพระเยซูก่อนเสด็จมารับสภาพเนือน้อหนังครับพี่น้องครับ การปรากฏกายของพระเยซูก่อนเสด็จมารับสภาพเนื้อหนังนี่คือแนวคิดหนึ่งครับซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าคริสโตเฟนี่นะครับคริสโตเฟนี H ่ C.H.R.I.S.T.O.P.H.A.N.Y.C.H.R.I.S.T.O.P.H.A.N.Y ซึ่งแปลว่า เป็นการปรากฏตัวของพระคริสต์นะครับก่อนเสด็จมารับสภาพเนื้อหนังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเป็นตรีเอกานุภาพของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธินั้นก็มีมาก่อนหน้านั้นครับมีมาตั้งแต่อัลฟาและจะเลื่อยไปนิรันดร์การจนถึงโอเมกาเช่นเดียวกันครับเมื่อพระเยซูก่อนเสด็จมารับสภาพเนื้อหนังก็มี หลักฐานในพระคัมภีร์ว่าพระองค์เสด็จมาปรากฏนะครับอยู่หลายครั้งในพระคัมภีร์เดิมอย่างไรก็ตามครับวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อที่จะสอนเรื่องคริสโตฟาแน่แต่กำลังจะบอกว่าเมลคีเสเดกนั้นเป็นไปได้ครับที่เป็นการปรากฏกายของพระเยซูแบบคริสโตเฟนี่นั่นเองต่อไปครับเราจะสังเกตว่าชื่อของเมลคีเสเดกนั้น ในภาษาฮีบรูนั้นมีความหมายตรงตัวเลยครับว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมนะครับและบวกกับคําว่าซาเลมนะครับก็มาจากเมืองซาเลมก็เป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมซึ่งนําสันติสุขนะครับเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมและสันติสุขเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตกอยู่ในข้อหาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าหากจะสันนิษฐานว่าเป็นคนอื่นนอกจากพระเยซู พี่น้องครับการที่เขาถูกเรียกว่ากษัตริย์เมืองซาเลมซึ่งแปลตรงตัวก็คือกษัตริย์แห่งสันดิสุขอาจจะเป็นคําเรียกเชิงพยากรณครับเป็นคําเรียกเชิงพยากรณ์ซึ่งใช้ไปถึงกษัตริย์แห er ่งกรุงเยรูซาเลมนะครับและกษัตริย์แห er ่งกรุงเยรูซาเลมที่จะกลับมาในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเสด็จมาแบบกษัตริย์ครับและจะปกครองโลกนี้พี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งครับ การประยุกต์ใช้ฝ่ายวิญญาณของกษัตริย์แห่งสันติสุขก็ต้องหมายถึงพระเยซูคริสต์แต่ผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิงแท้แน่ทีเดียวครับที่สันติสุขนะครับตามหลังความชอบธรรมเห็นไหมครับกษัตริย์แห่งเมืองซาเลมนะครับและชื่อของเมลเคีเสเดกแปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมนะครับปกครองเมืองซาเลมก็คือเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นเมลเคีเสเดกนั้น จึงเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมและสันติสุขครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เวลาก็หมดลงพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันครับว่าบุรุษลึกลับนะครับก็ชื่อว่าเมลคีเสเดกนั่นเป็นใครกันแน่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพบกับพระเยซูแบบกษัตริย์แห่งความชอบธรรมและกษัตริย์แห่งสันติสุขอาเมน